คำถามเหลือบดูจิตที่ดีเป็นอย่างไรเหลือบดูจิตบ่อยๆทํางานไปเหลือบดูจิตบ้างจิตว่างไม่ใช่ว่างๆแต่จิตว่างคือสติไปทํางานแทนจิตจิตจึงโล่งปร่งสบายหลวงพ่อตอบอันนี้ถูกต้องแต่คําว่าเหลือบนี้เราต้องพยายามชำระเรือง คำว่าชำเลืองคือน้อมเข้าไปสังเกตดูความปกติของจิตจิตว่างก็รู้ว่าว่างจิตปกติก็รู้ว่าปกติเราก็จะเห็นเด่นชัดตัวชำเลืองหรือว่าตัวเรือบเข้าไปดูนี้แหละเขาเรียกว่าตัวสติตัวปัญญาแต่ความปกติความโล่งความโปร่งนั่นก็คือจิตบางทีจิตโล่งโปร่ง จิตที่ไม่มีความโลภความโกรธความอยากเขาก็โล่งก็ปร่งอยู่แต่เขายังแยกรูปแยกนามไม่ได้เปรียบเสมือนกับขันที่คว่มอยู่ถ้ามีอาการของความคิดผุดขึ้นมาถ้าไม่ใช่ตัวจิตเราพยายามมั่นสังเกตดูว่าเขากกาะตัวอย่างไรขนาดจิตจะเคลื่อนเข้าไปรวมถ้าสติสังเกตทันเราเหลือไปมองเห็นทัน เขาจะดีดตัวออกจากกันจิตจะหายขึ้นมาจิตจะเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นไปอีกเราจะมองเห็นทางทะลุปลุปโลงมากขึ้นไปอีกเพราะว่าสัมมาทิฏฐิพ่อแรกในอริยามรรคที่มีองค์8เปิดทางให้เราพยายามตามทำความเข้าใจเราจะเห็นอนิจจังลุกหังอนัตตาในขันห่าที่เกิดเกิดดั บ, ดบ แล้วตามทำความเข้าใจให้ได้ทุกเรื่องถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้หรือว่าเราไม่ตามดูจิตของเราก็จะซึมเข้าสู่สภาพเดิมถูกแล้วละ่ะต้องพยายามดำเนินไปให้ดีที่สุดคำถามมีวิธีบังคับตัวเองอย่างไงบ้างเช่นบังคับจิตใจบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบหรือยา ก, ยาก หรือบังคับให้ตัวเองพยายามทำอะไรสักอย่างสรุปแล้วบังคับทุกอย่างเลยหลวงพ่อตอบการบังคับตัวเองมีหลายวิธีแล้วแต่บุคคลแล้วแต่จริตของแต่ละบุคคลการบังคับตนเองให้อยู่ในกองกุศลได้ยิ่งดีถ้าเป็นอกุศลให้พยายามละพยายามฝืนอะไรที่จิตเป็นกุศลถ้าจิตไม่ชอบ พยายามน้อมกายน้อมใจเข้าไปพยายามทำบ่อยๆจะเกิดความเคยชินเองคำถามแล้วการปฏิบัติธรรมต้องบังคับต้องฝืนหรือเปล่าคะหลวงพ่อตอบฝืนแต่ตอนใหม่ๆถ้าเราเข้าใจแล้วถ้าจิตเราตกกระแสธรรมแล้วเราไม่ต้องฝืนฝืนเฉพาะจิตที่ยังวิ่งไปกับโลก ยังหลงโลกยังเป็นทาสของอารมณ์ทาสของกิเลสอยู่ถ้าจิตของเราตกกระแสธรรมแล้วเรามันชำระาสารกิเลสแล้วแล้วก็จิตของเราจะไปตามกระแสธรรมเองไม่ต้องไปฝืนอะไรคําถามหลักการฝึกปฏิบัติมีอะไรบ้างครับหลวงพ่อตอบต้องฝึกตัวเราเอง หัดตัวเราเองให้มีระเบียบมีบิณัยและฝึกให้ตัวเองมีความเสียสละโดยที่ไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนเป็นคนเสียสละทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังวาจามองโลกในทางที่ดีคิดดีนั่นแหละพยายามเริ่มต้นให้มันได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกคำถาม เมื่อเราเจริญสติเราจะหัดพิจารณาให้เห็นความเกิดดับความเป็นไปของกายเวทนาจิตธรรมได้อย่างไรหลวงพ่อตอบเราต้องเจริญสติเข้าไปแยกจิตแยกความคิดแยกรูปแยกนามให้ได้เสียก่อนเราถึงจะพิจารณากายเวทนาจิตธรรมครบทั้งสี่ตัวได้ ถ้าเรายัางแยกรูปแยกนามไม่ได้มันจะเป็นแค่เพียงปัญญาโลภีเท่านั้นที่พิจารณาทำเป็นเพียงกิเลสทำเท่านั้นเพราะว่าจิตของเรายังไม่ตกกระแสธรรมหรือว่าจิตของเรายัางแยกรูปแยกนามไม่ได้ถ้าจิตของเราแยกรูปแยกนามได้จิตของเราจะว่างรับรู้การพิจารณายกจิตขึ้นมาพิจารณา จิตก็ว่างรับรู้ยกกายขึ้นมาพิจารณาจิตก็ว่างรับรู้ยกหัวข้อธรรมขึ้นมาพิจารณาจิตก็ว่างรับรู้ยกเวทนาขึ้นมาพิจารณาจิตก็ว่างรับรู้ถึงจะเป็นการเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่ในตัวตลอดเวลาเราต้องพยายามเจาะแยกรูปแยกนามให้ได้เสียก่อน เราจะเข้าใจในความหมายที่เราตั้งคําถามมานี้ได้เองคําถามการดูกายเวทนาจิตธรรมหรือการดูจิตเริ่มต้นอย่างไรหลวงพ่อตอบก่อนที่จะเข้าไปดูเข้าไปรู้ได้เราต้องรู้จักสร้างสติให้ได้เสียก่อนสร้างสติ สร้างความระลึกรู้ตัวให้ต่อเนื่องให้ได้เสียก่อนแต่ถ้าเราจะเข้าไปดูเข้าไปรู้เลยมันเป็นปัญญาโลกีอยู่เราต้องสร้างผู้รู้คือสร้างความรู้สึกตัวแล้วก็รู้จักควบคุมจิตควบคุมอารมณ์ต่อไปข้างหน้าก็รู้จักสังเกตจิตสังเกตความคิดแยกรูปแยกนามให้ได้เสียก่อนเราถึงจะมองเห็นทางที่จะเข้าไป ดำเนินชีวิตได้อย่างกระจา่างทีเดียวคำถามถา ม, มีความสนใจเพื่อให้ใจสงบแต่ยังไม่เคยฝึกแบบจริงจังแล้ววิธีจิตดูจิตเป็นอย่างไรหลวงพ่อตอบเราเป็นคนมันสังเกตมันสำเนียบมันน้อมในใจอยู่บ่อยๆเราก็จะรู้ตัวจิตนั้นเขาเกิดเกิดดับๆับอยู่แล้ว บางทีเขาเกิดความโลภบางทีเขาเกิดความกโกรธบางทีเขาเกิดความอยากเจ้าตัวรู้ ต, ตัวโรกรธตัวโลภตัวอยากนั่นแหละคือตัวสติเราพยายามหมั่นสำเนียกหมั่นสำรวจหมั่นรวมอยู่ตลอดเวลาอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆสักวันหนึ่งเราจะเข้าใจตรงนี้ คำถามอยากเริ่มต้นฝึกธรรมะอยากฝึกจริงๆงจังๆแต่ก่อนนั่งสมาธิเฉยเฉยวัละนิดนิดแต่ไม่นิ่งเวลาตื่นเต้นหรือฟุ้งซ่านจะติดท่องพุโทโธตลอดแล้วการสวดมนต์ไม่สวดได้หรือเปล่าจำเป็นหรือไม่หลวงพ่อตอบดีแล้วละ่ะดำเนินมาถูกแล้วละ่ะ แต่ยังไม่ถูกจุดหมายปลายทางที่แท้จริงลองผิดลองถูกบ้างก็ยังดีเราต้องพยายามส่วนเรื่องการสวดการท่องถ้าเราไม่ได้เจริญสติก็เปรียบเหมือนนกแก้วนกขุนทองเราต้องพยายามสร้างความรู้ตัวพยายามหมั่นสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องนั่นแหละถึงจะเป็นการเจริญสติพยายามทำไปเรื่อยๆวันหนึ่งสองวัน สามวันจาก5นาที10นาทีไปเรื่อยๆเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีอายุมากขึ้นกำลังความรู้ตัวก็จะมากขึ้นสติปัญญาก็จะมากขึ้นก็จะมองเห็นความเป็นจริงในชีวิตของเราได้พยายามดำเนินต่อไปให้ถึงจุดหมายปลายทางกันคำถามต้องกระทําก ร, รําใด จึงไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่มากระทบหลวงพ่อตอบต้องเจริญพรมวิหารให้มากมากและเจริญสติสมาธิรู้จักควบคุมจิตสร้างสมถภาวนาหนุนกำลังสติเข้าไปวิเคราะห์สร้างกำลังจิตจิตของเราถึงจะไม่เกิดจิตของเราถึงจะไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์ต่างๆที่มากระทบและมันชําระสสารกิเลส ออกจากจิตของเราให้มันหมดคำถา ม, ถามความรู้สึกครึ่งหลับครื่งตื่นกับอาการวูบเวลาจะหลับเป็นอย่างไรตั้งแต่เด็กสงสัยมาตลอดช่วงเวลาคาบเกี่ยวเข้าสู่การหลับคือหลับก็ไม่หลับตื่นก็ไม่ตื่นจะมีอาการร่างกายกระตุกและมีความรู้สึกตกบูบเหมือนตกจากที่สูงแต่ใจไม่เต้นแรง คงเต้นปกติความรู้สึกไม่รุนแรงจนอายุ30ปีลองจับความรู้สึกนั้นคืออะไรกันแน่ถือศินแปดประมาณหนึ่งเดือนหลังจากนั้นใช้เวลาตอนพักเที่ยงที่บริษัทช่วงอาทิตย์แรกก็จับความรู้สึกคาบเกี่ยวระหว่างจะหลับและตื่นคือเพ่งช่วงเวลานั้นทําให้รู้สึกตกวูกมากขึ้นเรื่อยๆจนถึง คล้ายๆตกเหวที่ลึกมากจนประมาณวันที่แปดความรู้สึกนั้นหายไปแต่เปลี่ยนมาเป็นได้ยินเสียงน้ำก๊อกกระทบกับอ่างในห้องครัวเห็นเป็นภาพลางๆน่าจะเป็นความฝันว่าเดินไปในห้องครัวแล้วไปเจอน้าไหลจากก๊อกน้ำกระทบอ่างน้ำได้ยินเสียงน้ำก๊อกจากแผ่วเบาจนเสียงน้าเพิ่มความดังขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับแสบแก้วหู ก็เลยรีบตื่นต่อมาวันที่9เหมือนเดิมแต่ได้ยินเสียงคนคุยกันใกล้ๆดับที่นั่งเอ็นดับประมาณ5เมตรเขานั่งคุยกันที่โต๊ะประชุมเล็กได้ยินจากแผ่วเบาจนเสียงเพิ่มความดังขึ้นเรื่อยๆจนถึงระดับแสบแก้วหูก็เลยรีบตื่นวันที่10ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยแต่รู้สึกเหมือนฝันว่าตัวเองลืมตาเอ็นตัวไปข้างหน้า ยกแขนขึ้นมาดูและก็หันหน้านซ้ายขวาเห็นคนในออฟฟิศเดินผ่านไปมาและรู้สึกว่าตัวเองอีกคนยังนั่งหลับอยู่ในฝันรู้สึกกลัวขึ้นมาว่านี่คืออะไรก็เลยรีบตื่นขึ้นมาสงสัยมันคืออะไรเป็นการตกอยู่ในพวังใช่หรือไม่หลวงพ่อตอบอันนี้มันเป็นนิมิต มันหลอกเราอยู่ในปัจจุบันไม่ได้มันไปนหลอกในนิมิตบางทีก็เป็นนิมิตที่จริงบางทีก็เป็นนิมิตที่ปลอมแล้วที่ว่าสติของเราตกพวังนั้นในช่วงนั้นสติของเราอยู่ในช่วงครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่มันจะเข้าไปหาครึ่งหลับเสียมากกว่าสติของเราตามไม่ทันถ้าอยากจะให้รู้ความจริงตรงนี้ เราต้องพยายามเจริญสติทำความเข้าใจกับนิวรณไม่ให้นิวรณเข้าครอบงำ ม, มันสังเกตดูว่านิมิตตรงนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นจากจิต ข, ของเราปรุงแต่งหรือว่าเกิดขึ้นจากขันธ์ห้ามาปรุงแต่งหรือเกิดขึ้นจากเหล่าเทพมาปรุงแต่งอันนี้สำหรับบุคคลที่มีกำลังสติมันวิเคราะห์มันพิจารณาได้ต่อเนื่อง ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนถึงจะเข้าใจในเรื่องนี้ถ้ากำลังสติของเรามีไม่เพียงพอพอตื่นขึ้นมาเรารู้ตัวอยู่ปัจจุบันก็เพียงพอแล้วถ้าเราเอานิมิตตรงนี้เก็บขึ้นมาคิดมาวิเคราะห์มาพิจารณาพอเราหลับเขาก็มาปรุงแต่งอีกเดี๋ยวก็เรื่องนูน่นเรื่องนี้เข้ามาก็จะมากขึ้นมากขึ้นนี่แหละมันหลอกเราในปัจจุบันไม่ได้ ก็จะหลอกเราในนิมิต ท, ที่บอกว่าบางทีบางครั้งจิตก็ยังเฉยอยู่ยังนิ่งอยู่นั่นแหละให้พยายามรักษาความเฉยความนิ่งแล้วหันสังเกตดูขณะที่ตื่นตัวรู้ตัวอยู่ปัจจุบันว่าจิตมันเกิดส่งออกไปข้างนอกอย่างไรเราดับได้ไหมควบคุมได้ไหมและความคิดที่จะผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิต หรืออาการของขันหักเขาเกาะตัวอย่างไรจิตของเราจะเคลื่อนตัวเข้าไปร่วมได้อย่างไรอันนี้เรารู้ตัวอยู่ปัจจุบันแยกรูปแยกนามอยู่ปัจจุบันขณะที่ตื่นตัวอยู่ส่วนเรื่องนิมิตนั้นถ้าหากอยากจะรู้ความจริงให้พยายามเจริญสติสังเกตดูตั้งแต่แรกไม่ให้นิวรณ์เข้าครอบงำได้เลย ถ้านิวร์จะครอบงมเราก็พยายามกระตุ้นความรู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ลองไม่หลับสักเจ็ดึงแปดวันทั้งกลางวันทั้งกลางคืนดูสิถ้าเกิดความง่วงขึ้นมาเราก็เปลี่ยนอิริยาบถลุกอาบน้าหรือลุกเดินไม่ให้จิตเกิดความกังวลเกิดความฟุ้งซ่านเลยให้จิตอยู่ในความนิ่งความว่างความโปร่งเราจะรู้ความจริงว่า เจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเป็นจริงหรือว่าเกิดขึ้นจากอาการของจิตหรือว่าเกิดจากอาการของขันห้าหรือว่าเหล่าเทพ ม, มาปรุงแต่งเราก็จะเข้าใจทะลุโปร่งคาถา ม, ถามอาการทางกายที่ปรากฏจากการเจริญสติเป็นอย่างไรระยะหลังภาวนาก่อนจะนอน และดูจิตไปด้วยไปสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าหูจะได้ยินเสียงชัดขึ้นความรู้ตัวก็มีอยู่แต่รู้สึกว่าทำไมหนึ่งชั่วโมงมันผ่านไปเร็วจังหลวงพ่อตอบเพราะจิตของคุณไม่ได้กังวลกับสิ่งต่างๆการเวลาก็เลยเร็วไวขึ้นพยายามทำไปเรื่อยๆอีกอย่างหนึ่งนั้นการเจริญสติการจเจริญสมาธิ อย่าเอาอยู่แค่อีเดียบทเดียวยืนเดินนั่งนอนพยายามทำให้ได้ให้ต่อเนื่องกันตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลับการเจริญสติก็เพื่อที่จะคลายความหลงคลายความยึดมั่นถือมั่นชำระศาสางกิเลสออกจากจิตจังใจของเราให้มันหมดถึงจะปฏิบัติธรรมคร่มเคร่งมากมายถึงขนาดไหนจุดหมายปลายทาง ก็เพื่อที่จะชำระสารสังกิเลตเราออกให้หมดให้ได้ทุกอิริยาบทพยายามดำเนินต่อไปทําถามเข้าใจถูกหรือไม่เกี่ยวกับสติปัฏฐานสี่ขออนุญาตถามในแนวปฏิบัติที่เป็นอยู่เกรงว่าจะหลงทางเข้าใจว่าการเจริญสติจริงๆแล้วไม่น่าจะอยู่กับจิตอย่างเดียว อะไรชัดก็ดูอันนั้นได้ไหมเพราะลองพิจารณาแล้วถ้าเรารู้ทันจริงๆไม่เห็นว่าจะเกินออกไปจากการรู้อยู่กับกายเวทนาจิตธรรมเช่นบางครั้งร่างกายเราเจ็บปวดมีทุกขเวทนาเวทนามันก็เด่นมากๆเช่นปวดท้องจากโรคกระเพาะกำเริบเวทนาชัดเจนเรารู้เวทนาพอเวทนาหายไป ใจเราก็สบายสติมันก็ไปอยู่กับจิตหลังจากนั้นหากเราเดินไปมาเรารู้ทันก็รู้การเคลื่อนไหวของกายเป็นต้นเพราะมันรู้ได้คราวละอย่างใช่หรือไม่ขออภัยหากดูวกบนหลวงพ่อตอบไม่วกบนหรอกความเข้าใจของเราอยู่ในระดับนี้ความเป็นจริงแล้วการจเจริญสติปัฏฐานสี่ ถ้าเรายังแยกรูปแยกนามไม่ได้หรือว่าจิตยังไม่คลายออกจากขันห้าจะไม่ครบสี่ฐานคือตัวจิตของเราส่งออกไปพิจารณาเขาเรียกว่าจิตส่งออกไปภายนอกอยู่ตามความเป็นจริงแล้วทั่วทั่วไปเราแยกแค่เพียงในส่วนของรูปกับนามเราไม่ได้แยกละเอียดถึงจิตกับขันห้าซึ่งเป็นฝ่ายนามธรรมาด้วยกันถ้าเราเจาะลึกลงไป แยกจิตออกจากขันธ์ห้าออกจากอารมณ์ซึ่งเป็นฝ่ายนามธรรมาได้หรือที่เรียกว่าแยกรูปแยกนามจะพิจารณาก็ให้จิตรับรู้อยู่พิจารณากายจิตก็ว่างรับรู้พิจารณาเวทนาจิตก็ว่างรับรู้พิจรารณาธรรมจิตก็ว่างรับรู้จะพิจารณาอะไรอยู่จิตก็ว่าง รับรู้อันนี้จึงจะครบการเจริญสติปัฏฐานสี่ถึงเราจะพิจารณาในธรรมถ้าจิตยังแยกรูปแยกนามไม่ได้หรือจิตยังไม่อยู่ในความว่างรับรู้ก็เป็นแค่เพียงกิเลส ธ, ธรรมเป็นแค่เพียงปัญญาโลกีอาจจะถูกอยู่ในระดับหนึ่งเท่านั้นเองเราพยายามเจาะให้ลึกให้จิตของเราแยกออกจากสิ่งพวกนี้ คอยดูคอยสังเกตคอยวิเคราะห์ถึงจะเป็นการเจริญมหาสติปัฏฐาน4ี่ครบบริบูรณ์คำถา ม, ถามเรื่องอารมณ์ที่เกิดเวลาดูหนังดูข่าวฟังเพลงลองเอาสติดูตัวเองเวลาดูข่าวไม่ดีจากโทรทัศน์ก็เลยเหมือนกับกำลังดูตัวเองไม่ได้ดูข่าวร้ายพอดูไปเรื่อยๆ หลุดบ้างก็ดึงสติกลับมาดูอารมณ์ตัวเองอีกเป็นอยู่อย่างนี้อารมณ์ร่วมในการดูก็ไม่เกิดเห็นว่าเศร้าๆแต่เราไม่อินไปกับข่าวไม่ดีภาพการสูญเสียการพลัดพรากเป็นเรื่องใหญ่ของคนเราหากดูแบบเอาสติดูก็ไม่ร้องไห้เหมือนก่อนการดูหนังดูข่าวแบบนี้ไม่ทราบว่าตัวสมาธิหรือตัวสติมันโตและกว้างขึ้นกันแน่ แต่ว่ามันไม่มีพื้นที่ให้ตัวปรุงมันเกิดเพราะเหมือนมีตัวดักจับตัวปรุงไม่ยอมให้มันก่อตัวเห็นก็เลยเฉยๆซึ่งยังไม่แน่ใจว่าถูกต้องหรือไม่หลวงพ่อตอบดีมากทีเดียวถูกต้องเลยทีเดียวเราพยายามดำเนินมันสังเกตมันวิเคราะห์ไปเรื่อยๆนั่นแหละเราได้ฟังธรรมตลอดเวลาขณะที่เราดูหนังฟังเพลง เราก็สังเกตตัวจิตของเราจิตของเราก็รับรู้เราก็จะได้ฟังธรรมะอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าจะไปให้พระท่านพูดท่านเทศให้ฟังอย่างเดียวในสิ่งที่ถามมานี้ดีมากทีเดียวพยายามดำเนินต่อทําต่อไปและก็รู้จักสังเกตตัวความคิดที่จะผุดขึ้นมาปรุงแต่งจิตของเราซึ่งเป็นอาการของขันห้า จิตของเราจะเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรให้เราสังเกตตรงจุดนั้นถ้าเราสังเกตทันเมื่อไรขณะจิตจะเข้าไปร่วมจิตมันจะดีดตัวออกมาจิตก็จะแยกรูปแยกนามจิตจะหงายขึ้นมาความอิสระของจิตก็จะมีมากขึ้นกว่านี้อีกอีกอย่างหนึ่งขณะที่ดูหนังอยู่นั้นจิตนิ่งอยู่สงบอยู่อันนี้มันถูกต้องแล้วละ่ะ เราก็ได้สอนตัวเองตลอดเวลาเรารู้จักแยกรูปรสกลิ่นเสียงออกจากจิตของเราเราหมั่นสังเกตหมั่นวิเคราะห์จิตของเราว่าจิตของเราเกิดความยินดีไหมยินร้ายไหมจิตของเราไปอินหรือว่าเข้าไปร่วมนั่นแหละเขาเรียกว่าจิตไปเสวยถ้าจิตเรายังปกติอยู่ตากระทบรูปหูกระทบเสียง สติเราคอยตรวจสอบนั่นแหละเราได้ฟังธรรมะอยู่ตลอดเวลาเป็นคนสอนตัวเองอยู่ตลอดเวลาเอากายเป็นวัดทำจิตให้เป็นพระก็ตรงนี้แหละจิตจะเกิดกิเลสเกิดความโลภความโกรธความอยากหรือเกิดความยินดียินร้ายเราก็ดับอีกอย่างหนึ่งนั้นถ้ามีความคิดปุึ้นมาถ้าไม่ใช่ตัวจิตก็สังเกตดู อย่าเพิ่งไปดับเพราะว่าเราจะได้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงว่าเขาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเรื่องอะไรที่เขาเกิดจิตของเราไปหลงได้อย่างไรซึ่งเรียกว่าอวิชชาไม่รอบรู้ในกองสังขารไม่รอบรู้ในขันห้าเราต้องพยายามตามดูตรงนี้ให้ละเอียดเมื่อจิตรู้ความจริงแล้วเขาก็จะปล่อยเขาก็จะวาง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 จิตของเราไปหลงได้อย่างไรคำถามมีอยู่ว่าเวลาเราดูความคิดที่ผุดขึ้นมาโดยมีสติตามดูรู้เท่าทันก็ปรากฏว่าความคิดนั้นบันดับหายไปไม่ปรุงต่อต้องทำอย่างไรเพื่อไม่ให้มันดับและพิจารณาการเกิดและที่มาของความคิดและขบวนการที่จิตเข้าไปหลงได้อย่างไรหลวงพ่อตอบ อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากทีเดียวน่าภูมิใจขณะที่เราตามดูรู้ว่ามันดับมันหายไปก็ปล่อยไปเสียเราก็สังเกตเอาตัวใหม่ที่จะเข้ามาถ้าจิตจะส่งออกไปภายนอกเราก็รู้จักดับรู้จักควบคุมถ้าความคิดที่ไม่ใช่ตัวจิตผุดขึ้นมาเราก็ปล่อยให้เขาเกิดขึ้นมาเราก็สังเกตดูว่า เขาก่อตัวอย่างไรจิตของเราจะเคลื่อนเข้าไปร่วมเองถ้าเราสังเกตทันปุ๊บจิตเขาก็จะดีดตัวออกจากความคิดตรงนั้นเราก็จะเข้าใจเราก็จะเห็นให้เราตามดูการเกิดการดับของขันห้5ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นแหละเขาเรียกว่ารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในอารมณ์ รอบรู้ในอาการของขัน5้าอวิชชาก็คือความไม่รู้ตรงนี้ถ้าเรารู้ตรงนี้สำมาทิทิก็จะเปิดทางให้เราทันทีเมื่อสำมาทิทิในอริยมรรคมีองค์8ข้อแรกเปิดทางให้เราเราก็จะมองเห็นทางเ ป, ปลุโปร่งทีนี้เราจะชําระสารสังกิเลต ข, ของเราได้หมดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความเพียรของตัวเราเองนะ พยายามให้ถึงที่สิ้นสุดเธอคำถามการคอยตรวจสอบนิวร์ทั้ง5ประการว่าเข้ามาข้องเกี่ยวกับจิตหรือเปล่าแล้วคอยไล่มันออกไปถือเป็นการปฏิบัติแนวดูจิตหรือเปล่าหลวงพ่อตอบใช่มันก็ถูกอยู่ระดับหนึ่งแต่เราต้องทำความเข้าใจว่านิวรณ์มันเริ่มก่อตัวอย่างไร มันเกิดอย่างไรสติเราจะพลังเถ อ, อย่างไรจิตเราฟุ้งซ่านหรือเกิดความกังวลหรือเกิดความอาฆคาตพยาบาทหรือว่าเกิดความลังเลอันนี้เราต้องพยายามดับพยายามควบคุมส่วนสติของเราจะพลังเถอมันจะหลุดมันจะขาดอย่างไรถ้าสติของเรามันอ่อนลงเราก็พยายามกระตุ้นสร้างความรู้สึกขึ้นมาใหม่ เราก็ดูว่ามันจะอ่อนมันจะขาดลงอย่างไรถ้าเราไม่กระตุ้นความรู้สึกขึ้นมาสติของเราก็จะไม่ตั้งมั่นมันก็เพียงแต่ทื่อๆ อ, อยู่เฉยๆถ้าเรากระตุ้นความรู้สึกขึ้นมาสติของเราก็จะตื่นตัวตั้งมั่นขึ้นมานิวอณนมันก็จะคลายไปทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆนิวอณนตรงนี้ มันก็จะไม่เข้ามาครอบงมจิตเราได้คาถา ม, ถามขอแนะนำอุบายให้สติ ก, กลับมาตั้งมั่นหรือกระตุ้นให้ตื่นครับบางครั้งสติขาดไปหรือกำลังอ่อนจนเราเห็นความฟุ้งของสารพัดอารมณ์ความคิดเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาจนเกิดอารมณ์หงุดหงิดกับสติของเราว่ามันหายไปนาน หรือหายไปไหนของมันหลวงพ่อตอบเราก็พยายามสร้างความระลึกรู้ตัวบ่อยๆรู้กายรู้ลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกจิตปกติให้รู้ว่าปกติไม่จำเป็นต้องไปตรวจสอบหลอกนิวรให้ทำความเข้าใจทาความเข้าใจแล้วรู้จักระรู้จักดับนิวรณ์จิตของเราจะเกิดนิวรณ์ เกิดความฟุ้งร่านเกิดความกังวลเกิดความลังเลหรือว่าจิตของเราพลั้งเผลอเราก็พยายามกระตุ้นสร้างความตื่นตัวขึ้นมาใหม่ขณะสติจะขาดเราก็พยายามกระตุ้นความรู้สึกขึ้นมาใหม่เราก็จะได้ทำความเข้าใจกับนิวรณธรรมตรงนี้ด้วยคาถาม สติปัฏฐานกับมหาสติปัฏฐานต่างกันอย่างไรหลวงพ่อตอบสติปัฏฐานหมายถึงการเริ่มสร้างสติลงที่กายเรานี้แหละมากเขาเรียกว่ามหามหาสติปัฏฐานคือกำลังสติมีมากสติต่อเนื่องกันมากจนสามารถแยกรูปแยกนามตามทำความเข้าใจได้แล้วถ้าเรายัางแยกรูปแยกนามไม่ได้ หมายความว่ากำลังสติไม่พอสติไม่ต่อเนื่องสติของเราจะพลังเผลออันนี้ก็ให้เน้นลงที่กายของเราเราจะเอาฐานใดฐานหนึ่งก็ได้อยู่ที่ลมหายใจหรืออยู่ที่การเดินอันนี้เขาเรียกว่าการจเจริญสติอยู่ในระดับหนึ่งถ้ากำลังสติต่อเนื่องสามารถแยกรูปแยกนามได้ตามทำความเข้าใจได้ ถึงจะเป็นมหาสติและรู้จักลากิเลสให้มันหมดนี่แหละถึงจะเป็นมหาสติมหาปัญญาได้เต็มรอบคำถามสาธุจะพยายามปฏิบัติให้ได้มหาสติมหาปัญญาแต่ตอนนี้ยังอยู่ในโลกที่วุ่นวายมันก็ยากหน่อยหลวงพ่อตอบ อันนี้เราก็ต้องพยายามให้จิตของเราสงบอยู่กับสมมุตินั่นแหละสงบอยู่กลางโรงหนังกลางตลาดถ้าเราเข้าใจแล้วยืนเดินนั่งนอนก็จะเป็นแค่เพียงอิริยาบถตราบใดที่จิตของเรายังชําระสาสารกิเลสไม่หมดเราก็ต้องพยายามชําระสาสารให้ได้ทุ่อิริยาบถคําถาม รู้มีกี่แบบเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมว่ารู้นั้นมีสามแบบคือรู้จำรู้จริงและรู้แจ้งแต่เมื่อไรจึงจะเรียกว่ารู้จริงเมื่อไรจึงจะเรียกว่ารู้แจ้งต่างจากรู้แจ้งแทงตลดอดหรือไม่หลวงพ่อตอบที่ถามว่ารู้มีกี่แบบและมีความเข้าใจว่ามีความรู้สามแบบ มันก็ถูกอยู่ในระดับหนึ่งแต่ตามความเป็นจริงมันมีความรู้อยู่สองระดับคือรู้สมมุติกับรู้วิมุตติถ้าเรารู้เรื่องวิมุตติคือรู้เรื่องจิตเรื่องหลุดพ้นตามสภาวธรรมตามความเป็นจริงถ้ารู้เรื่องสมมุติก็อาจจะถูกต้องตามระดับของสมมุติถ้าเราแยกแยะเดินปัญญาแยกรูปแยกนามได้ เราก็จะเข้าใจในเรื่องวิมุตถ์ถ้าเรายังแยกรูปแยกนามหรือว่าแยกจิตแยกความคิดไม่ได้เราก็อาจจะเข้าใจถูกในระดับของสมมุติเท่านั้นเอง